I'm มันเป็นไปตามทับเป็นเรื่องของทับะมังเรื่องของภาวะธรรมแต่จิตใจเราไม่เรารู้สึกว่าต้องได้หรือไม่ได้เนาะมันดีอ่ะทุกสิ่งทุกอย่างเราทําดีแล้วมันก็ดีถ้าเรารู้ว่าโตอยู่เนี่ยมันก็เป็นมันโพตดแล้วปกระดับมันไม่มีอะไรที่ตั้งอยู่ม้นไม่มีอะไรตั้งอยู่ก็ใช่าพอพูดเสร็มันก็ไปดีที่แลอนี้เราข้อสําคัญว่าเราไม่ไปจิดไม่ไปยึด ดูผ่านรู้สึกก็ไม่ติดไม่เยอะเลยแล้วก็ผ่านไม่ผ่านไปไม่แต่การดูการฟังการกระทําทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยครับครับวันนี้ก็มีเกณฑได้กันน้อยฮคือไม่ทราบว่าก็เขาเอาไปตามธรรมดานั่นคืออยากจะกราบหลวงพ่อสมมติว่าวันนี้ได้มากราบหลวงพ่อแล้วก็อาจจะได้ไปเปิดให้กับพวกปฏิบัติธรรมใหม่ๆนะครับก็อาจจะรบกวนหลวงพ่อช่วย เทศเกี่ยวกับเรื่องคนที่เริ่มใหม่ๆสมมติว่าเริ่มใหม่เลยเขาจะต้องเริ่มทําอะไรก่อนดี mm hmm. นะสมมติว่าเขาเขาเขาอยากจะมาทางนี้นะครับเขาอยากจะให้พ่อช่วยค่อยๆเล่าเล่าวิธีการของพ่อแล้วก็อาจจะเป็นประโยชน์กับญาติโยมในภายหลังนะเพราะถ้าที่ฟังคําเทศน์มานี่ก็จะลงไปถึงปฏิบัติเลยนะครับแต่คนที่เขาเริ่มต้นเนี่ยเขาก็ค่อนข้างจะขี้สงสัยก็อยากให้พ่อแบบช่วยเทศ ง่ายๆแล้วก็เริ่มต้นอย่างไรทํายังไงต้องมีศีลก่อนไหมแล้วก็มีทําทานก่อนหรือเปล่าหรือศีก็ต้องพอนนะจนตั้งถึงหลักที่มองอะไรที่เป็นธรรมชาติธรรมชาติพ่อจะช่วยยิบเรียงก็คร่าวไม่ง่ายๆสุขสบายเบาๆใส่พี่ mm hmm. พ่อแ <laughs> พ่อขพ่อเวลาพูดทุกอย่างก็ออกมานม่มีความไม่ตาอยู่แล้วมีความเบาสบายไส่ตามสบาย เรชอบชอบพอได้ยินแล้วมันเบานะเบพอฟังซีดีแล้วมันมีความสุขมีความสุขมันมีกิติขึ้นมาความสุขไปขึ้นแผ่วๆก็เห็นเห็นเห็นเขามีความสุขอะนี้มันหลวงพ่อเนี่ยนี่แหละก็ให้เรารู้กายรู้ใจของเรานะเรื่องของเรื่องครับจะเป็นการเริ่มต้นคือเป็นคนที่รู้แล้วหรือไม่รู้มันก็มาเริ่มต้นตรงนี้ครับนะครับ เนี่ยเดาควมรู้สึกต้องต้องไปต้องไปบอกเขาเนี่ยนะเริ่มต้นเนี่ยคือเขาคงงงเหียบนะอย่างที่คุณคริดว่าไอ้หลวงพ่อสอนง่ายจังมัน <laughs> ง่ายมากเลยเนะี่ยมองแล้วก็เห็นมองสภาวะปั๊บเห็นเขาว่างเบาสบายแล้วก็ดูเขาแต่คนที่ที่ผมเห็นเนี่ยที่ไปมาปั๊บเนี่ยจิตเขาไวมากาจริงๆพอพูดปั๊บเนี่ยเขาเขาเขาปั๊บปุ๊บเขาเขย า, าสายตลอดเขาตรงนู้นตรงนี้เขาจะไม่นิ่งเท่าเรา ผมเห็นเนี่ยพี่สะพายผมเนี่ยเขาอย่างเงี้ยผมมาปั๊บขับรถไปส่งเขาหน้าเขาต้องมีเกิจกรรมทาตลอดเวลาเดี๋ยวเปิดเขาเห็นเลยเว่าเขากระสับกระส่ายเราเห็นเราเห็นอะไรเดี๋ยวเขาต้องเปิดดูเดี๋ยวเขาต้องดูอุ้ยดูนั่นสิดูต้องต้องหาอะไรมาทําอ่ะต้องหาอะไรนี่แหละนี่มันไม่อยู่สุดเขาเลือดไม่อยู่สุดเหมือนลิงใช่เหมือนลิงจิตเนี่ยเหมือนลิงเลยถ้าคนไม่ได้รู้จักอันนี้ใช่มันจะเหมือนลิงเช่ ใช่ไหมมันจะดิ้นรนกระสับกระส่ายไปเรื่อยเนี่ยทุกที่จริง่ะทเลนแต่เนี่ยแต่ไม่รู้ตัวให้กอนเราอยู่กับทุกนอนกับทุกไปไหนก็ไปกับทุกคนเราจนไม่เห็นทุกอันนี้โอ้โหน้าสงสารเลยสงสารสารใช่ไหครับแต่ก่อนเราก็เป็นอย่างนี้ใช่ก็เไหมอันนี้เรามาเห็นคนอื่นโอ้โหเราผ่านอะไรอย่างนี้มาละมาคนทําสิ่งเหล่านี้มาก็ หปลกใจตัวเองตอนนี้สิบเจ็ดขึ้นสี่แปดแล้วไปสี่แปดนี่นก็เพิ่งมาเจอได้สองสามปีนี่ก็ยังโชคดีด <c oughs> แน่นอนที่สุดได้โชคดีแน่นอนแต่ก็ก็ค่อยๆคือค่อยทํำใจก่อนหน่อยดวจริงๆอยากคิดว่าต้องไปบอกว่าต้องทําอะไรนะมันไม่มีมันไม่มีว่านั่นหรอก มันไม่ใช่เรื่องต้องทําแต่เรื่องให้รู้จักหลวงพ่อจะชี้ตรงนี้หรือไม่ไอ้ดูความรู้สึกก่อนต้องเริ่มต้นต้องดูเนี <boils standalone. S 1> ่ยเนี่รู er Because, ้สึกยังไงอันนี้มายถึงเอาอย่างรัดเลยให้มันถึงเลยไม่ต้องเสียเวลานะอย่างทั่วๆไปอย่างดีที่เขาแนะเนี่ยมันจะมีการหอ่านั่งสมาธิสิใช่ไหมหรือต้องไปรับสิ่งก่อนหรือต้องรับกรรมฐานอะไรตรเนี่ยมันจะมันจะยุ่งยากมากเลยครับก็ทีนี้มันก็จะไปเตดสิ่งเหล่านั้น S 1> <S 1> อันนี้มันเป็นเรื่องธรมธรมดาธรรมดาถ้าเราดูเนี่ะยฮะเราเขาเป็นไงดูที่เป็นไงก็ขอเป็นไงเราดูเฉยเฉยเราอย่าไปอั้นอย่าไปกั้นอความรู้สึกอันนี้สําคัญครับพอมีความรู้สึกอั้นกั้นอันนั้นเหมือดมันจะไปเก็บกดไว้มันจะเก็บกดไว้ ไ, ไม่กระ<ห>จา ย, ายไม่ได้สําคัญละเอียดมากเลยนะตรงนี้ยนะถ้าเราเฉยเข้ามาจงไม่มีอะไรไม่มีอาการก็ดูอาการแล้วไม่มีอาการที่อะ มันไปโผลพันกันเกาะเกี่ยวกันกับสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นครับและเดี๋ยวเขาก็จะเขาว่าจะกระจายเองคือไม่ไม่ใส่โดนลหลายไปอย่างนั้นถ้าเราไม่ใส่ไปอะไรไปในของเขานี่ยเขาก็มันก็แยกต่างหางเขาไปมันเหมือนกับเราไม่เราไม่ใส่ใจกับเขาครับไม่ใส่ใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นคือดูเฉยเฉยไม่เฉยไม่ต้องมีว่าครับนี่ครับนะอี่สุดยอดเขาว่าดูเฉยเฉยอยาให้มีว่าต้องใส่ใจแล้วไม่ใส่ใจจะไม่มีสิ่งเหล่านี้อืไม่มีออื นเนี่ยพเฉยๆเนี่ยแล้วก็ไม่ต้องดูอาการนะครความรู้สึกที่มีต่อมันก็ต้องมีความรู้สึกเฉยาเออนอาเต็ยนนะใช่ใเฉยๆแล้วเรามีความรู้สึกต่อสิ่งอย่างนั้นไงก็ต้ดูว่ามันต้องป่าจากความรู้สึกอะไรที่มีกับสิ่งนัน้นแน่นอนล้เรียกว่าเฉยๆจึงว่างนะเดี๋ยวเรากระจายอะอืถไปพอไปมีความรู้สึกเข้าไปเนี่ยนั่นก็มามาแตอนนี้ความนหาย้ว แหนบโหวงเบาแม่โล่งว่านี่เกิดใหี่เลยนี่เพรามันปิดนะมันจะเคยชินนะพอปุ๊บเข้ารอยเกาอีกแล้วมันจะชินอันนั้นครท่าน อ, อย่าเพิ่งไปทําอะไรเวลานั้นเป็นอันนั้นอย่าไปทําอะไรนะครับเยังทาอะไรอยู่ก็เผายังสร้างจังหวะหรืออะไรเนี่ยต้องดูสังเกตว่าเราไปทําอะไรแล้วถึงจะเกิดอันนั้นครับที่มาเนี่ยเพิ่งเป็นใช่ไหมครับก็ตอนฟังฟังที่พอรู้สึกเนี่ไอ้ความรู้สึกเคยชินเหมือนเออเราต้องทําอะไรเราต้อง พยายามอะไรเนี่ยมันจะเอาเลยมันมันเหมือนกันกับไม่เกิดขึ้นเองพ่อตอนที่ฟังสท่านประชาชนที่ในในในวิทยุเนี่ยแต่ว่าพอดีผมไม่รู้คือพอฟังแล้วเนี่ยรถกระจอดตัดแดดเนี่ยมันจะมาหาพ่อแล้วเฮยฟังก่อนแล้วกันรถมันก็ร้อนแต่เราก็เฉยเฉยอ่ะอาจจะเป็นอาการทางกายรถดมโดนแดดอหะแล้วมันก็เป็นมันก็เฉยเฉอนะเป็ก็เป็นเพราะมันเป็นชินแล้วฮะคือตอนเทมันจะไปเพ่ง มันจะมีความเพ่งความจ้องใช้เพ่งบันทีเราไม่ได้สังเกตจริงๆจะไม่เห็นนะแต่บาง้ีโฟลฟังดีๆนะบางครั้งไม่เข้าใจบางทีก็เกิคิดเอ้เราไม่ได้เพ่งเราไม่จ้มันเต้นเองนี่แหละเนี่ยแต่นั่นแหละคือเพ่งมันเพ่งมีมีเพ่งแต่เราไม่ได้สังเกตและไม่รู้ตัวเองใถ้าเราเห็นอยู่เราจะรู้ว่ากำลังเพ่งะเดี๋ยวนี้ไม่มีเพ่งเราก็เห็นได้ว่าไม่เพ่งไม่จ้องอะไร นี <N ee> <S <S <ce> ่ย anyway. yeah. uh ังเป็นอยู่ยังเกิดอยู่อ่าตอนนี้โดยฉยมีเพลงมีจ่องอะไรยังเป็นอ่ะดยความเป็นไปะไรเปนอ่าโดยเฉยๆตงทีตรงนี้แก้โดยการที่อย่างงี้หรือทําไปอย่างเงี้ยม่หย่ามันเนี้ยเนหลุดไปละออย่างงี้หลุดไปละอย่างเงี้ยหลุดไปละอาถ้าทำงี้นะทำไปเล่นๆทำเล่นๆอย่างเงี้ยอ่ใช่ใช่ เน <c oughs> ี่ยฟาร์มตั้งใจตั้งใจมากตั <c oughs> ้งใจอดีตอดีอดีอดอดอดตดอารมณ <c oughs> ์นะดอารมณ์เ <c oughs> นี่ยอารมณ์อันนี้พ่อเราไปสะสมแล้วเราก็ไม่รู้อ่ะก <c oughs> ็ะดูอีกทีหนึ่งขณะที่เราเห็นอารมณ์อะไรอย่างนั้นเพื่อไม่ให้ติดเราก็ดูดูที่ภาวะอย่างงั้นถับมาดูอีกทีครับดูอีกที <c oughs> แหมขนาดที่เราติดสุกแล้วเรายัรู้สึกใหม่มีความสุขมากเลยดีนหลือเกินอร่อยหยถึงว่าอะอร่อยเหลือเนี่ยนะรสชาติมันแหมนะเดิมดำเมื่อเดิมดำนาะแล้วเราก็ดูอีกทีว่าที่มันเดิมดำดูที่ลักษณะมันเป็นยังไงเนะเราออมาเห็นเนี่ยมันก็จะถอนครับใช่ใช่ใช่ใมันจะถอนแล้วก็จะเห็นพอถอนนานนานนานเข้า พอดูนานๆเข้ามันก็จางคายอ๋อมันก็อย่างนั้นอย่างนั้นช่พอเห็นตามความเปจริงๆมันก็อ๋อเป็นสังอย่างงั้นเองเพราะนี่เราเข้าไปใช่เข้าไปอยู่กับมันนะมะใช่ยอมรับเลยนั่นแหะอย่างหลวงพ่อชาบอกว่าเนี่ยเขาไม่มีเจ้าของอยู่แล้วใช่ แต่ เ, เราเข้าไปยึดเป็นว่าเป็นเจ้าของแต่เนี่ยคําพูดดีคำไม่ขเข้าใจหมายถึงเรารู้สึกไหมเราเข้าไปเป็นเจ้าของแล้วเป้นของเราและใ้วใรู้สึกอ่ะเรารู้สึกแผลมันเดิมดางโอ้โหติอย่างที่ผุณบอกเ<อ>นี่ยเนี่ยพอเราจะไปติดอันนี้<อ>แล้วก็มีปีเตะนะเอง อ, อกดึงใจบางคนก็เลยเข้าใจว่าเนี่ยได้ธรรมะแล้วรู้ธรรมะแ้ไม่ใช่โดนหลอกโด็นวิปัสสนานะนะมันเป็นกิเลสของวิปัสสนาอีกเทนึงรู้ตัวฮะอรู้ตัว แต่มันก็อย่างว่าคือมันมันเป็ปุตชนนะคือแต่ให้เรารู้จักหน้าอันนี้หมายถึงว่าเราให้รู้ว่าสมาธิแล้วก็เพื่ออาศัยสิ่งนี้เป็นทางเป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงร่างกายเมื่อเรายังไม่หล่อเลี้ยงจิตใจเมื่อเรายังยังอยู่กับภาวะที่เรายังยึดยังยึดอยู่ครใช่ไหมอันนี้มันก็เป็นพลังเป็นการหล่อเลี้ยงจิตใจของเราจิตใจเราจะได้แต่มันได้พลังยิ่งข้อแน่นอนจะได้มีกําลังขึ้นแต่ว่าให้เรารู้ว่ายึดถือไม่ได้ มันสดนะชื่นจริวันนี้ไปเล่นจีระไปแข่งแบตมาเนี่ยเช้ า, ชาบ่ายโอ้นี้ตีดีมากามันมีพลังอย่าหนมันมันสดชืช่นมเ น, นี่ยพ่เราเยงังตเย็นยดก็ต้องอาศัยอันนี้หมายถึงเป็นทุนนะแต่ตอนนี้พ่อเราเหมือนว่ายน้ำไปแล้วเราก็ไม่ต้องไปอาศัยใช่ถ้าไม่ไปตกก็ไม่ต้องป อ, อ, อาศัยเกาะ อ, อะไรแล้วใช่ไหมอ่าเนี่ยมันจะเป็นขั้นตอนไปหลวงพ่อก็เคยเป็นมาอย่างนี้ นะก่อนเราไม่เข้าใจนี้ถ้าไม่เข้าใจแล้วมันจะติดอยู่อย่างนั้นน่ะไม่บ้าทน่นจะทุกสิว่ามันเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตดแล้วโดมันตั้งอยู่เนยมันอยู่เดี๋ยวก็หายหมดหายหมดใช่นะแล้วเราก็ต้องไปทําใหม่อีกทำใหม่แล้วมันก็อยู่ได้พักนึ่งเดี๋ยวก็หมดไปอีกแต่แต่แตกคือเนี่ยมันจะไม่มาบ่จริงหรอนะมันจะไม่มาบ่อยเพรานานๆจะมาสักทีนะคือเส่วนให่ก็นั้ บางทีก็แต่เราก็ยิ่งยไม่มาช่างมือไม่เอานะไม่เอาไม่เอาคืนหมดเลยผมไม่เอาใช่เคยยังไม่บอกว่าไม่เอาอะไรให้เห็นความจริงแล้วอันนั้นเขาจะเขาจะรู้อะไรเป็นอะไรอย่าไปมีความรู้สึกอ้แล้วมาอันนี้เป็นความคิดใสอะไรอีกนะอ๋อแม่งก็ยังเด็กอยู่ได้นะนะไม่กังให้เห็นว่าอ มันเป็นภาวะทำเป็นความรู้สึกอย่างนี้อย่างนี้เองครับแ<ช>ละดับว่าไอ้ตอนนั้นเอเรามีความรู้สึกแหมนั่นอร่อยรู้สึ ก, กเราเข้าไปกอดลั่นแเราก็ดูอาการของเราอะใช่ใช่ไหมเนี่ยเราดูบ่อยๆบ่อยๆแล้วมันก็จะคายมาแล้วก็ดูให้เห็นความจริจรงจริงๆแล้วมันก็ภาวะอย่างนั้นอย่างนั้นเองมันก็งั้นๆใช่ใช่ไหมมันก็เกิดแล้วก็ดับไปใช่มไม่มีมันไม่ขอพี่ของเนี่ยเขาถึงเขาเปลียนเชี่ยวเหมือนอย่างนี้บางทีแบบว่าอย่างกระดูกหมูอย่างเนี้ย บางทีโต๊ม้อเนื้อออกให้หมดแล้วเหลือกระดูกนี่โยนไปเนี่ยหมาบเคี่ยวเคี่ยวที่จริงมันก็อร่อยอะแต่ที่จริงมันไม่ไม่ด้มีเนื้อมีอะไรก็เอาเอาะน้ํารายมันก็มันก็ความคิดของเราอะมันนะจะเหมันเคี่ยวไปมันก็ปรุงแต่งไปครับเนี่ยพอเราจะติดอย่างเนี้ยใช่ป่ะใช่ครับแต่นี่ให้เรามาเรียนรู้เพราะมันไม่รู้นี่มันถึงจะไปติดอถึงงั้นถ้ารู้มันจะไม่ติดคมันจะเห็นว่าอร่อยก็อย่างงี้อร่อยก็อย่างงี้งั้นแนีอร่อยก็อย่างนี้นย่าครับสวยไม่สวยก็อย่างนั้น นะคือตอนนี้อาการอาการของตัวเองเนี่ยรู้เลยว่ามันจะไม่เอาโรคหรือเต้องไม่ใช่อย่างนั้นนะมันไม่ใช่เป็นไปเพื่อปฏิเสธหรือรับรองเห็นตาความเป็นจริงแล้วมันจะมันจะหนายมันจะหนายมันจะคลายเนี่มันมันมันจะหน่ายโรคอ่ะใช่แต่ว่าคือหนายคลายก็หมายถึงว่าหนายคลายโอ้เนี่ยเป็นเป็นความปรุงแต่งต้องเห็นอย่างนั้นอืม นายขายกับฟาร์มปูงแต่งสังขารใช่ใช่ใช่ใช่นใช่ใช่ไม่ใช่ชีวิตประจําวันนี่เราก็เบื่อนายชีวิตจําเจทุกวันทุกวันเนี้ยไม่ใช่อไม่ใช่ไม่ใช่เัินนะใช่เบื่อนายต่อสังขารเบื่อนายของไอ้นี่ฮะที่เกิดแก่จะตายเนี่ยเราเห็นแล้วเห็นเราเราเห็นแล้วมันเรนเป็นศัตรธรรมเนี่ยเพราะมันซ้ํำซากอะนะว่าเหมือนเนี่ยบางทีเราเดี๋ยวมียินดีเดี๋ยวมียินร้ายแตเราไม่รู้นะ เื่อไม่รู้เนี่ยพอเราจะไม่รู้ทำอะเดี๋ยวยินดียินร้ายเดี๋ยวชอบไม่ชอบต้องกลางไม่ต้องกลางนี่มันจะหมุนเวียนอยู่เนี่ยพอมาลุ้นอยู่ไม่ได้ดูจริงๆเนี่ยมันจะเบื่อได้โอ้ตอนนี้เขาจะไม่เอามันแล้วจะไม่เข้าไปร่วมอย่างนี้ด้วยอ่ะวเขาจะดูเฉยเฉยใช่ใช่แต่นี้ไม่เข้าไปยินดีเดี๋ยวบางอย่างผมว่าพอไปปัตบัตรตอนนี้ลองดูเฉยเฉยิดูอย่ามันจะมีอะไรเกิดไม่จะต้อเกิดไม่ได้อย่าให้เพลินครับคอย่าไปเพลินลองดูเถอะจะไม่มีเกิดอย่นี้เลย นะมันก็จะใช้ใช้รู้ตัวเท่านั้นเองครับรู้ความรู้สึกเห็นความรู้สึกก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรอยู่เลยเลยมันจะไม่มีนะที่มันมีนั่นเรามันจินอนาการไปแล้วนะครับนะมันเป็นความปรุงแต่งเข้าไปแล้วแหละนะครับมันถึงเกิดเกิดมีรถมีชาติเลยขึ้นมาครับใช่ไหมใช่ครับก็เหมือนเนี่ยเราไปอ่านดูอย่างในในมรรคมองแกลข้อสุดท้ายสามมาสามที่ครับใช่ไหมครับเนี่ยคําว่าได้ฌานฌานอ่า องชาญอะองค์ชาญมีห้าไหมมีวิตกวิจารณ์มีปิติมีสุขมีเอกคัดตาเนี่ยพอเอกขัดตาแล้วมีไหมมีทุกมีสุขกับว่าะใช่มีแต่ธรรมชาติบริสุทธิ์ใช่ใช่แล้วนี่ยเราก็มารู้เนี่ยก็ไม่มีอะไรก็แลอยู่ก็ดูอยู่เห็นอยู่ไม่มีอะไรใช่เนี่ยหมายถึงว่าจริงจริงโดยภาวะแท้จริงอันนี้หรือเอกคัตาแบบจิตเป็นหนึ่งเนี่ยพูดพูด ใเ่ไหมที่ไม่ถูกบงแต่งอะไรเหมือนกับน้ำที่ใสสะอาดครัใช่รับตาดูอะไรก็ยังเห็นอยู่เป็น ไ, ไงอ่านไหมปอดฟองนี้มีความคิดความเห็นไหมเนี่ยพอเราเห็นความรู้สึกอันนี้นะพอเรารู้อ่ะรู้อ่ะรู้ได้เนี่ยแล้วอย่าให้ไม่ต้องให้มีความคิดความเห็นได้เลยคือที่ไม่ต้องมีความคิดทําเห็นอะไรครับไม่ต้องมีต้องมีต้องจินตนาการอะไร ก็เป็นไปเพื่อสบายเองทั้งสบายไปอันน Line ี้สบายาแต่ไม่ใช่ไปจิตสบายหมายถึงว่ากายก็ให้เป็นไปเพื่อสบายถไม่สบายแล้วแก้ไขสบายไม่ต่อเนืเหรเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ใจก็เหมือนกันก็ให้เป็นไปเพื่อมันปองมันเมาคือตอนนี้พอพอดูปั๊บมันจะสบายอยู่ช่วงนะเดี๋ยวก็จะมีอะไรเกิดขึ้นรู้ว่าเป็นธรรมชาติของเขาอันนี้ก็ต้องดูไปเรื่อยๆดูเขาดูไปเรื่อยๆแล้วมันจะไม่มีอะไร จะค่อยดำเนินรอยตามไปเรื่อยใช่ใช่แต่เห็นภาพชัดเลยฮะเดี๋ยวนี้เห็นเห็นเห็นเห็นความคิดชัดดูไปบ่อยนะสังเกตไบ่อยๆจะไม่ใช่ดูเพื่ออยากเอาเพื่อจะเป็นหรือไม่เอาไม่เป็นไม่ใช่ <c oughs> ดูให้เห็นความจริงแล้วก็ดูเรื่ออเดี๋ยวนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วลองดูเรื่ออ๋อแลคือยังไงอ่ะหาหาความจริงจากอพวกนั้นครับนะว่จริงๆคืออย่างไรแท้จริงภาพแท้จริงๆอนะครับ ดูเรื่อยๆเราก็จะเห็นว่าในนี้เลยศึกษาคําสอนมาว่าคาว่าเป็นอนิจจังสุกขังนัตตาคำวาไม่ใช่ตัวตนสัพเพธรรมานัตตาแปลว่าทำทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนครับเนี่ยไม่ควรยึดถือว่าเป็นตัวเราของเราคบบอันนี้เป็นคําพูดของผู้โลนะว่า แ, แต่ถ้าเรามารู้แล้วจะเห็นว่ามันจะไม่ยึดไม่ถืออมันจะไม่มีมันจะไม่มีความยึดมั่นถือมั่นมันจะไม่มีดูมันก็เฉยๆไม่มีอะไรอ๋ออย่างนั้นอย่างนั้นอะ พอไม่เห็นความจริงเรารู้สึกมันจะเข้าไปปลอดได้ครับถ้าไม่ชอบมันก็จะขัดออกครั<อ>บนั่นระทุกเท่นั้นแหละลใช่ไหม <ś red> เป็นแบบเพื่อทุกเท่นั้นเลยครั<อ>บแต่นี่มันไม่ต้องขัดออกไม่ต้องปฏิเสธแต่ไม่ต้องรับรองนันเ<ม>เห็นแล้วก็เฉยเฉยจิตใจดีก็ได้บางทีมันไม่สงบเราก็เห็นไม่สงบไม่สอบนี่นระทุกโป่งด่างนะ<ม>เราจินตนาการเราโป่งด่างถ้าเราดูอยู่ แล้วที่ดังเราก็รู้เท่ารู้ทันขึ้นแล้วก็รู้เท่าทันวโอ้เนี่ยมันเป็นความคิดปรุงแต่งแล้วก็เป็นผิดผลมันจริงจริมันเกิดอารมณ์พอใจไม่พอใจสบายไม่สบายสงบไป่สงบนี่นก็เป็นผิดผลของความคิดของเราคราดูบ่อยบ่อยบ่อยบ่อยบ่ที่ดังพอมารู้เท่าทันมันไม่มีอะไรมันไม่ปรุงแต่งมันไม่มีไรไม่เกิดไม่มีอะไรมีแต่ธรรมชาติรุ่นรุ่นจิตรุ่นรอืนรู้สึกได้ เนี่ยต้องเห็นอย่างนี้ไปก่อนนะดูไปเรื่อยเๆรๆๆๆื่อะเืยจตสติมันต่อเนื่องมามา ส, ส, สมบูรณ์สตสมิมัน ส, สมบูรณ์แตงรอบเมื่อมันจะจบเมื่อนั้นรอบของวัาตม า, าตมันขาดไปไมนจะขาดก็มั น, มนมเกิดไม่ได้นะไม่มีอะไรเกิดเพราะนี่ยัง ม, ม, มีช่องว่างใช่ดีมากเลยดีใจที่เจอพ่อ ศึกษานะเราศึกษาดูมันอย่าไปเป็นตายเพื่ออยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อย่าไปอย่าไปมีความรู้สึกอย่างนี้มันจะเป็นอะไรก็ได้ครับดูอย่างเดียวนะดูแล้วแล้วก็ดูแล้วก็จะรู้ได้ไม่ได้เพราะเหตุอะไรครําว่าทุกคนกับหลวงรูสมุทรไทยควรละครับใช่นะนี้โรกมันทําให้แจ้งอะไรเนี้ยนะอ่ะมามักควรเจริญอะไรเนี้ยนะ จิงๆงั้นเนี่ยทิตสะเดีนี่สําคัญเลยสำคัญมากครับใช่ไหมผมจาติดเลยอ่าก็พอเห็นความรู้สึกนี้ก็อย่างนี้โลดมันก็<ช>มันก็สงบปะใช่ใช่นี้โลด ก, ก็คือสงบไงใช่ใช่ใช่ใชไหมเนี่ยคําว่าอย่าส่งจิตออกนอกเนี่ยแต่นี้คําพูดเราอย่าไปติดคําพูดต้องเข้าใจคําพูดอย่างรู้ว่าตัว่าอย่าส่งจิตออกนอกเนี่ยเราก็จะพยายามว่าอย่าส่งจิตออกนอกนี้ติดแล้วเนี่ยให้เราดูความรู้สึกเราเห็นความรู้สึกอยู่ แต่เราดูอะไรเราก็เห็นเลยยังเห็นความรู้สึกขอเราอยู่นั่นไม่ได้ส่งแล้วนะนี่ตัวนี้สําคัญนี่ที่ต่างคพูดเนี่ยทีนี้เราไป่จิตก็ต้องพยายามอย่าส่งกิตออกนอกมันโูก่ะแต่เราทำที่มันไม่โถก่ะคําพูดมันโถก่ะใช่แต่มันไปทําเข้าเนี่ยเราก็จะมีความรู้สึกของเต้องระวางว่าอย่าสง่งกิจออกนอกนั่นเท่าเรามันมีอะไรละใช่ละใช่นะ นั่นคือซ้อนน่ะใช่ใชพ่อพูดถูกไม่ต้องคืเห็นความรู้สึกไม่มีอะไรอันนั้นเนี่ยเห็นความรู้สึกอยู่ผมจะจําให้นั่นครับเดี๋ยวนี้หลวงพ่อจะเน้นอันนี้ครับเนี่ยมาที่เนี่ยเนี่ยในอันแรกที่ได้เปิดฟังนะั่นอ b z หน้าเนี่ยเนี่ยอันนั้นน่ะเนี่ยพูดมันั่งสิบปีแล้วสาคัญมากมาให้ดูความรู้สึกที่มีอะไรเรายังเห็นอยู่ไม่มีอะไรดูอะไรสักอย่าง ถ้าเห็นความรู้สึกจริงๆแล้วมันจะไม่มีอะไรแต่แต่ก็รู้ว่าอะไรได้นะแต่ในความรู้สึกไม่มีอะไรไม่มียินดีไม่มีเย็นล e, e, แล้วก็ดูที่นี้รู้สึกยินด e, ีเย e, ็นละครับจิตใจหมกมุ่นกับอะไรไหมหยุดไหมจิตใจมันหยุดไหมอืมที่เมื่อกี้บอกจิตเหมือนลิงอะอยู่ไม่อยู่สุขนี้ยนะเข้าใจไหมครับอันนี้เราจะเห็นเ่ยมันไม่มีอะไรจิตมันจะอยู่เย็นเป็นสุขครับสงบไม่มีอะไรครับเห็นความสงบความรู้สึกมันสงบไม่ใช่เราครับ ถ้าบอกเป็นเราสงบอย่างนี้เราเข้าไปเป็นเจ้าของแะ้วเนี่ยหลงพระฉาอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้ใช่ใช่เขาไม่มีเจ้าของแด่เราเนี่ยเดี๋ยวคูดอีกอยากๆก็เลยเราขี้โกงอะเป็นยึดถือว่าเป็นของเราแล้วเราก็ทุกข์ก็สิใช่ใช่ใช่นะของเราอยากให้มันหงุดหงิดรำคาญโดยที่มีหงุดหงิดรำคาญถ้าเราดูงี้แต่ว่าใหมายไม่ใช่ไปบังคับไม่ให้มันหงุดหงิดรำคาญไม่ใช่นะครับถ้าเราดูเฉยๆ ถ้าดูให้ต่อเนื่อถ้ามันจะเกิดีรำคาเราจะเห็นห่ามันแวบเดียวเราลืมดูปุ๊บเข้าทันทีอจะถูกปรุงทันทีเลยครับเร็วมากเลยเร็วยิ่งกว่าค้าแรกอีกใช่ใช่ใช่นะแล้วบางทีบางคนถ้าไม่ฉังเกตฑนะก็จะมาถึงตรงนี้เนี่ยพ่อเป็นสิบปีนะพ่อที่พ่อที่เพ่อภาวนาเดินจงกรมอะไรเงี้ยนานกว่าจะต่อเนื่องคือทำให้ต่อเนื่องต้องใช้เวลามาก แต่ให้เริ่มรู้อย่างที่เชีดูพอให้เห็นเนี่ยพอเห็นความรู้สึกเนี่ยเราเห็นได้แต่ที่เรียนรู้จนว่าให้ต่อเนื่องเราจะไม่ลืมอันนี้ยจิตเราจะไม่ถูกงงใจนั้นต้องใช้เวลามากเลยต้องเข้าใจจุดนี้นะครับครับทีนี้ไม่ใช่พอฟังแป๊บแล้วก็ได้ทันทีเป็นเลยไม่แม้หน่อก็ขอขอรายละเอียดนิดนึงครับอย่างอย่าผมเองตื่นเช้ามาเนี่ยพอตื่นมาแป๊บเนี่ยพอจิตตื่นเนี่ยเรารู้เลยเขาตื่นนะตื่นแล้วเขาจะไม่นอนีดูความรู้สึกของเขาพตื่นเราก็ดูเลยออกมาเนี่ย ดูเลยนะฮะพอดูปั๊มนี่เขาจะว่างนะนั่นแ่ะอ่นลนั่นแหละเห็นความรู้สึกมันว่างไม่ใช่เราว่างดูให้ดีดีเห็นนั่นแหละเห็นธรรมะให้ดูธรรมะอืะฮะศึกษาดูกเออมาดูความรู้สึกเป็นอย่างนี่ยมันไม่มีอะไรเขาเช้านี้จะเห็นชัดใช่มันว่างแล้วแลังนี้ก็อย่าลืมพอเห็นว่างแค่นั้นพอรู้จักเตียงเราก็ลืมได้ก็เป็นอย่างเดียวผมดูให้ต่อเนื่องทีาจะดูให้อยู่ตัวค่ะ พออยู่ยตัวแล้วแต่นี้เราอยขยับไปเยื้อนเก็ออยังเห็นให้อยู่ตัวก่อนอเดี๋ยวนี้เอาดูอย่างนี้เป็นไงนาอดูที่ตามรู้สึกไม่ต้องมีความคิดควาเห็นนะดูเฉยเฉยไม่ต้องตอบนะครเป็นไงนหายใจเข้าออกความรู้สึกที่ไม่มีอะไรเฉยเฉยคือ ว, ว่างๆว่างว่างแล้ว ว, ว่าไม่มีอะไรดูให้อยู่ตัวไม่ต้องเห็น เห็นอยู่ไม่ใช่เห็นว่าพับแทบแล้วเปลี่ยนต้องไม่เปลี่ยน่ะต่อเนื่องเห็นอันนั้นเห็นนี่ต่อเนื่องนานๆนี่ต่อเนื่องเดี๋ยวนี้เดี๋ยวให้ต่อเนื่องต่อเนื่องให้มันยาวสักนิดให้มันอยู่ตัวอให้อยู่ตัวก่อนอยู่ตัวไม่อยู่ตัวเราจะเห็นเลยมันจะเคยแวบๆเราก็ต้องประคับครองยังไงให้มันอยู่ตัวออื ถ้าไมอยู่ตัวแล้วใครดูดูอย่าสบายๆนะอย่าไปดูแบกบจ้องเดี๋ยวมางครับ้นานอีกแล้วตึงอีกแล้วหายใจไปนะอันนันนะอันนี้ยังเห็นอยู่ตอนนี้ตาดูแล้วก็ยังเห็นอยู่อย่างนี้แล้วธรรมดาพอเห็นนี้พอเราตาแล้วไปดูปุ๊บมันลืมอันนี้เลยอือันนี้แหละมันจะเป็นอย่างนี้ถ้าไม่จับจุดนี้ถ้าอันนี้แล้วมันจะเร็วอืใช้เวลามากนอนมันอยู่ที่ตรงนี้ บางทีไม่ใช่ก็ต้องใช้เวลาเท่านั้นปีเท่านี้ปีถ้าเราเห็นไม่ถูกต้องทําไปมันไม่ต่อ mm hmm. เนี่ยคําว่าเนี่ยในสติปัฏฐานสี่คำว่าเนี่ยจเจริญสติปัฏฐานสี่ให้ถูกต้องต mm ั hmm. ้งแต่หนึ่งวันถึงเจ็ดวัน mm hmm. ใช่ไหมเห็นยังหนึ่งวันถึงเจ็ดวันหรือถึงเดือนหนึ่งเจ็ดเดือนเจ็ดปี mm hmm. เดี๋ยวเขามีในการเขายังมีว่าสูงสุดเจ็ดปีถ้าเสร็จปีแล้วถ้าเราทำไม่ถูกเจ็ดปีเรายังไม่รู้นะมันจะไม่ต่อเนื่อง่ะเนี่ยอันเนี้นเราจะเห็นอันเนี้ยแต่ก่อนนี้แยกกันตรงอยู่อันนี้นนให้เข้าใจนี่เราจะเนี่ยเขาไม่ให้รู้เท่าทันนี่ตรงเนี้ยเ น, นี่ยคาว่ า, า ท, ทํานี้เราใช้แจ้งก็ดูตรงนี้พอดูตรงนี้อ๋อสงบนี่ก็แจ้งอ๋อเนี่ยพอรู้อย่างนี้อยู่ตัวก็สงบ ก็นิโลดไม่อย่าไปเข้านี้โลดอะไรนะนี้โลดนะอ่ามันมันมันนิดหนึงพอมันดับมันหยุดนะพอพอพอดูปั๊บเนี่ยมันจะเป็นอยู่ช่วงแรกเสร็จแล้วพอมันจะไอไอตัวประคองรักษาปั๊บเนี่ยมันมันการเป็นกระกรถางเลยพอกระถาปั๊บเนี่ยคือปกติคือคือแต่ก่อนเนี่ยนะคือพอมันมาปั๊บปล่อยมันก็รู้แร้วก็จะปล่อยมันให้มันดับก็ปล่อยมันกินอะไรเข้ามาแทรกก็รู้มัน นะอะไรเขาไม่ใช่เขารู้ไม่สนใจนะแต่เรื่อนี้พอสูมติทำทำแป๊บแล้วย้า้มันต่อเนื่องพอมันจะไปเนี่ยมันมนก็มันคับจิตทล้งพ่อมันจะไปอยู่แล้วแต่เราดึงมันกลับมาเพ <laughs> อันนี้เราไม่ต้องไปดึงอย่าเป็ทำรู้สึกอย่างนั้นยังเป็นความรู้สึกยังมีเราเข้าไปดึงใช่ไหมอ่ะที่จะเคยดูเคยสังเกตดูตรงนี้ดูแบบสังเกตนะดีครัพ่อ <laughs> ดีสนุกดีต้องทําบบเล่ น, นดูแบบอ่าถูกต้องถูกป้อ<ม>สังเกตเหมือนศึกษาดูเหมือนกันเราจะจับโจนจากขโมยจักผู้ร้ายอ่ะเนี่้ฮะครับมันจะมาตอนมันจะลักตอนนี้เราเผลอทุกทีใช่ไหมใช่ใช่แต่นี้เราระวังไนบางที่มีเผลอมันก็ถูกมันักทุกทีจิบ <laughs> ใจเราจะคล า, ายกันใช่อันนี้เราต้องรู้ที่ต้อง กิงจังกับเรื่องนี้ทันทีอดูให้ต่อเนื่องนั่นเองใช่ไหมพอเห็นแักครั้งเดียวนะเราจะรู้เท่าฐานโอ้มันเป็นอย่างนี้สติเราจะดีขึ้นหรือใช่ถูกต้องเนี่ยคือเราว่าเกิดปัญญาขึ้นมาทันทีเลยนะถึงได้ตอนนี้มันจะเร็วเลยถึงได้รู้ว่านิพพานจริงๆไม่ได้ของยากโุกแล้วมันอยู่ที่แล้วยี่ตอนนี้พอฟัง ต้อ ง, งมีโยนิโสมนัติสิการ์พฟังใครายมาอย่างคุยผู้เปิดครั้งเดียวแล้วผมเข้าใจเลยเนี่ยผมดูเลยเอาเถอะไม่นานหรอกเขาให้ออมีอะไรก็ทกโทรคุยเรื่อยๆอย่าไม่ต้องเกรงใจอะไรนะ ไ, <ด>ไม่นานใช้เวลาหน่อยแต่ตาใายนางทีบางครั้งยังรู้ไม่ได้ก็โทรคุย ไ, ได้ถ้อายอยู่ที่นู่นก็ใช้โทรมันดูได้ทุกระยบทอดเลยนะแล้วคุณจะนั่งพิงสบายไหมคับคุณที่ เมืเอยู่ที่บ้านนี่เก้าอี้เราก็นั่งให้สบายเหมือนเรานั่งพักผ่อนอ่ะพักผ่อนแล้วก็ดูที่สเออขนาดที่เรานั่งพักผ่อนก็สบายสบายรู้ดูที่เนี่ยเรามีความรู้สึกยังไงมันก็จะรู้ได้อะ น, นั้ น, น อ, อ่ะเ น, นี่ยดูบ่อยๆอ๋อก็จะได้คําตอบจากตรงนั้นงนะงงงถ้ายังมาถามหลวงพ่ออะแล้วมันเป็นไงเป็นไงปนไปเงี้มันเป็นคําถามคําตอบไปเรื่อยๆเข้าใจไม่ได้ไ ผมผมผมนึกถึงพ่อปั้าเนี่ยผมไปเห็นแต่ก่อนนี้เราเคยมีอาว่าอากงนะเขาจะนั่งอยู่หน้าบ้านนะแล้วเขาก็จะง่ายนั่งผมที่เขาเนี่ยเขารู้นะแต่เขาไม่รู้ว่าคืออะไรเขารู้ว่ามันมีเหตุผลบ้างนะมีมากแต่เขาไม่รู้คืออะไรคนเรามันมีอยู่แล้วมีแล้วอาว่านี่แต่เราไม่ได้ดูเราไม่รู้จักไม่รู้จักใช่เมื่ไม่รู้จักเราก็ไม่ได้เจริญอันนี้ว่าอ๋ออันนี้ใช่เนี่ยสําคัญเนี่ย ฮะมันรู้อยู่แล้วแต่เราไมคนไม่ไม่เข้าใจมันไ่อก็ไม่มีใครบอกมันมีใครชี้เนี่ยมันก็เป็นมาอย่างงั้นไม่รู้สี่พบกี่ชาติมันมีอยู่แล้วมันไม่รู้จะจบเลยใช่ใช่ไต้องมีคนชี้นี่แหละฮะมันมีความสุขพอรู้แล้วโอ้มันชีวิตมันมันทุกข์น้อยนะ ก็แน่นอนล่ะมันพอเห็นความยิงขึ้นมันก็ลดนอนล้ว่าอ๋อเนี่ยเราไปหลงผิด่ ะ, ะทำงานทุกการหรือนี่เจอเพื่อนเจอผู้อมงชาเจอใครมันมีความสุขนะมันมันมันรู้เลยมันมันไม่เล่าร้อนนะถูกต้องอนะถึงแม้มันจะไม่ต่อเนื่องนะแต่มันเข้าใจก็พาเรู้ตัวทะคนันอ่ะเขรู้ตัวใช่ับอะไรไหมเข้ารา้าเจอสภ า, าวะนี้เข รู้ตัวมันก็รู้ตัวอย่งงานงานั้นๆความรู้สึกคำว่ า, า, าตัวก็หมายถึงเราเห็นความ ร, รู้สึกของเราคําว่ารู้สึกตัวก็รู้ความ ร, รู้สึกเห็นความรู้สึกตร<อ>ง <ผม S 1> ที่หงพ่อเน้เนี่ยผมยังไม่ได้คนะือไอ้ที่บอกความรู้สึกเนี่ยที่เป็นอีกอย่างหนึ่งไม่ใช่เราเนี่ยผมยังไม่ได้นะคื อ, อยังเรายังเห็นว่ามันยังเราอยู่เนี่ยตรงเนี้ยผมยังติดนี่หละอันนี้เนี่ย ถ้าเห็นอันนี้ได้<ต>หไเห็นแล้วล่ะว่ามันใช่อะมันรู้รู้สึกว่าเราเห็นความว่างเนี่ะแต่มันยังไม่ยี่ไม่ตัดนั่งสบายพูดให้รู้มันไม่ได้น<อ>้องแต่จะเชี่ให้ดูอ่ะคุณนั่งอคุณนั่งสมาธินั่งสบายนั่งหนาไหนเ ด, ดี๋ยวนี้ถนัดดีดูร่างกายเป็นยังไงนั่งพักคอนเราเนี่อย่าไปอยากรู้อะไรนะไม่ต้องนะอ่า เปไงสบายไหมดูแะไม่ต้องตอบออดูให้สบายแล้วก็ดูเฉยเฉยกา ย, บายสบายใจสบายไม่เกรงเนืเกรงตัวจิตใจหายใจเข้าออกดูที่ไม่อันไม่กั้นนี่ยไม่ต้องปรุงแต่งไม่ต้องมีความคิดความเห็นอะไรดูเฉยเฉยสังเกตดูว่าเป็นยังไงมันเป็นอย่างไรมันเป็นไปอย่างไร นหายใจเข้ายาวๆสิความรู้สึกเป็นยังไงหายใจออกความรู้สึกเป็นยังไงสบายไม่สบายความรู้สึกสบายไม่สบายดูอันนั้นก่อน <มา S 1> ดูให้ต่อนี้ยดูให้ต่อไดอ้แต่นี้หายใจไปดูที่หายใจแค่ไหนสั้นหรือยาวหาวความพอดีอ่ะและ้วเองดูความรู้สึกอยู่ ไม่ต้องมีความคิดความเห็นได้ไหมลองดูด uh? ิไม euh ่ต้องมีความคิดความเห็นดูเห็นความรู้สึกเห็นความรู้สึกสบายไม่สบายนั่นนหะสบายก็ไม่มีไม่สบายก็ไม่มีนั่นะเห็นอันนั้นก็ได้เฉยๆเห็นแต่ความรู้สึกล้วนๆรู้ได้นี่ รู้ได้ใช่ไหมเห็นไหมเห็นความรู้สึกใช่ไหมแล้วมันมีตัวเราที่ไหนมันดูสิที่เห็นความรู้สึกมีเราไหมถ้าธรรมดาเป็นว่าเรารู้สึกเราเห็นความรู้สึกไม่เหมือนกันนะฟังให้ดีๆน ะ, อะลองดูได้เดี๋ยวนี้มีเรารู้สึกเรารู้สึกแล้ว เ, เห็นความรู้สึกต้องหายใจเข้ายาวๆมันจะเป็นความปล่อยครามวาง เวลาหายใจเข้ายาวๆเห็นนะั้ยมันจะเห็นความรู้สึกมันไม่ติดไม่ยึดอะไรไม่อั้นหายใจแบบไม่อั้นไม่กัน้นความรู้สึกสบายก็ได้ไม่สบายก็ได้สงบก็ได้ไม่สงบก็ได้เนีย่ยเห็นตาความจริจงๆที่มันเป็นอยู่อนะตาความรู้สึกเดียวนี้สบายไหมสงบไหม สบายก็รู้ว่ามันสบายสงบก็รู้ว่าสงบไม่สงบก็รู้ว่าไม่สงบเห็นความรู้สึกนะมันแยกแล้วนะ่ะไม่ใช่เราก็ไปแยกอะไรนะน่นไม่มีตัวเราละเหมือนก็เห็นสิ่งที่ถูกรู้ตัวรู้มารู้ความรู้สึกธรรมดาเป็นอันหนึ่งอันเดียวเลยเป็นเรารู้สึกเลยดูให้ดีๆนะเรารู้สึก ก็เห็นความรู้สึกธรไมด้ไหมเขามันเห็นนะ่ะเห็นความรู้สึกไหมรู้สึกสบายไม่สบายความรู้สึกสบายนะั้นเป็นยังไงมีรสชาติยังไงมีอาการอย่างไรถ้าอย่างนี้อะเห็นอย่างนี้เรียกว่าเห็นหรือรู้ถ้าเป็นเรารู้สึกแล้วมันจะรู้ <c oughs> มันไม่เห็นอะ่ะมันรู้อะ่ะ สบายอ่าเห็นความสบา ย, บายอ๋อสบายก็ดูนานๆดูที่มันก็อย่างนั้นสบายก็อย่างงั้นฮะมันเฉยๆอ่าไม่ใช่เราสบายอ๋อแต่ตรง น, นี้ยังไม่ได้แต่รารู้ว่าเฉยๆว่ามันอารมณ์มเฉยๆอ่ะเห็นคามรู้สึกเนะี่ยมันก็ไม่มีเราแล้วลองดูดีๆดิมีเราไหมล่ะสมริยาสมริยามีแต่รู้รู้ก็เห็นเท่านั้นมันรู้ก็เห็นแต่มันมันยังไม่แยกก็ที่มีรู้มีเห็นนั้นมันแยกเสร็จแล้วล่ะเหลือฮะอ่า น like right. right. ั่นแหละแยกแล้วเนี่ยเขามาเห็นรูปเห็นนามการนี้มันแยกแล้วล่ะเห็นความรู้สึกนั่นเองดูสิเขาไม่คิดนะสมานี่เราไม่คิดนึกเราก็รู้ว่าไม่คิดนึกนั่นแหะก็รู้ได้ว่าไม่คิดไม่นึกเขาไม่คิดไม่นี่เราก็เห็นความรู้สึกนั่นเห็นแล้วก็เห็นนะนั่นแหละนั่นแหะแยกแล้วอเไรครับแต่มันยังไม่แล้วธรรมดาเราไม่เห็นอย่างนี้ อะมันมันมันมันมันยังมันยังไม่มันยังไม่สุดอ่ะมันยังไม่รู้ตัวเต็มที่แต่เห็นแล้วฮะว่ามันอันว่าแค่นั้นแหละก็ธรรมดาอ่ะธรรมดานี่ยแหะก็เห็นมันเบาก็รู้ว่ามันเบาเมื่อเบาก็รู้ว่าเบาอย่างนั้นอ่ะไม่ใช่เรารู้สึกเราสบายเราไม่สบายมันไม่มีเราเห็นตาความเป็นจริงเห็นความรู้สึก ความรู้สึกมันสบายความรู้สึกมันไม่สบายความรู้สึกมันสงบหรือไม่สงบนี่หมายถึงอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่ที่มันปรากฏขึ้นอ่ะเห็นสิ่งที่มันปรากฏเดี๋ยวนี้ขณะนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ปัจจุบันเดี๋ยวนีอ้อย่าไปอ่านนะอย่าไปเพ่งอย่าไปจอ้องนี่มันมันเข้าไปมันเข้าไป เข้าไปเงียบมากเลยวะก็เห็นปลาเงียบไหนเงียบเราก็เห็นมันเงียบอ๋ออย่างนี้เตือนไหมให้มันเตือนตัวเตือนไหมความรู้สึกเตือนไหมเตือนนะถ้าเตือนมันไม่ยึดอยู่แะเนี่ยลองดูที่มันไม่ได้ยึดมันไม่ติดความรู้สึกไปยึดไปติดอะไรไปหมกมุ่นกอะไรไหมอันนี้สําคัญมากใช่ที่สําคัญมาก เครเห็นอันนี้แล้วเนี่ยอันนี้แหละมันถึงจะเล็วมันจะหลุดเลยมันจะหลุดเลยมันจะหลุดในตรงนี้มันจะหลุดเลลยมันจะหุดแต่ของผมยังไม่หลุดไม่เป็นไรเนี่ยต้องคิดดูนี่ยว่างๆน่าเดี๋ยวอย่าไปตั้งใจอะไรนะครับครับแต่จิตมันว่างอย่าไปมุ่งเพื่าเอาที่อยากรู้อะไรไม่ต้องมีอ่ะครับให้เห็นตาพาเป็นจริงครับเนี่ยตลองตาที่จับตา เรื่องอย่างเนี้ยรู้ได้หะรู้ที่สิ่งที่กระทบกัแล้วกันี่ยรู้ได้ก็เป็นอย่างนี้นี่มันก็สักว่าเห็นคาวามรู้สึกอันเนี้ไม่ได้คิดเลยมันรู้สึกฮนะรู้สึกรู้สึกตอนนี้ิจิตตอนนี้ไม่คิดเมือเบาไม่เป็น ที่นิ้วโป้งรู้สึกยังไงกระทบรู้ได้ไหมรู้สึกยังไงรู้ได้ไหมที่เนี่ยนิ้การนิ้วนาที่กระทบที่สัมผัสที่มันแตะถูกที่องค์มืองเนี่ยสังเกตอันนี้ละเอียดไหมเห็นเห็นนะอย่างเนี้เรียกว่าเห็นความรู้สึกอย่างเนี้ใช่ใช่นี่ความรู้สึกทางกายตอนนี้เรามาดูที่ใจก็เหมือที่เห็นความรู้สึกอันนี้ ธรรมดาเราไม่ได้ดูรละเอียดอย่างนี้ละเอียดขค่ไหนียธรรมดาเราจับแรกก็รู้อะเป็นเรารู้สึกไปหมดเลยเราไม่ได้เห็นขาดรู้สึกอ่ะเดินเนี่ยเดินเดินเนี่ยผมรู้ตัวเดินรู้เดินรู้รู้ว่ขามันเดินเดินเดินเตัวเดินแต่ไอตรงปัญญาที่เห็นออกมาเป็นขาดนี่ยมันยังมันยังไม่ได้ แต่ตรงแต่ผไม่ได้พยายามนะก็ช่างมันแหละผมไม่ได้สนใจก็รู้แล้วว่ามันเป็นอย่างนี้ยแต่ก็พยายามมันก็คือก็ใส่แต่ว่าไม่ขาดนะยังไม่ต้อไปดูอะไรนั่นหรอกนะที่จริงเรายังมันแค่ข้ามันจะมันจะละเอียดมากครับนะครับางทีมันขาดแต่เรายังไม่เห็นขาดใช่ใช่มันปันมันแล้วแต่ว่าเรายังไม่เห็นขาดแต่าูยนี้เราไม่ชินยังไม่ชินนะว่าต้องดูบ่อยๆต้องดูบ่อยๆด้เนี่ยฟังพ่อพูดแบบเนี้ก็จะเน้นอย่างนี้ย แล้วเราก็ไปดูของเราบ่อยๆดูเรื่อยๆเืยๆเรื่ อ, อ, อ, อ, อแล้วมันจะเห็นขึ้นมาคเพราะดูบ่อยๆอ่นนมะมันจะค่อยๆเห็นอะนี้ส่วนมากเราจะไม่ค่อยได้ดูตรง<ร>นี้เ ห, นเห็นอาจารย์หลายท่านบอกว่าให้เชียบไม่ต้องไปหัวมันเกิดเองใช่ไ <c oughs> ม่เกิดเองอัตโนมัติคือ ต, <ร>ต้อ ง, ส, งสังเกตเลยนะที่กระทบสัมผัสอะไรต่างๆนะลองหยิยบขวดนั้นดูสอสม ดูที่มือที่สัมผัสรู้สึกไงสังเกตดูสิจะทุกทีเคยสังเกตไหมสังเกตครับอ๋อรู้อ๋ออ๋ออันนี้ยังจากนี้ก็ค่อยวางดีนะยกขึ้มันมาหน่อยแวางดูที่ที่เขากระทบกับพื้นตอนไหนสังเกตไหมไม่สังเกต เนี่ยทุกเรื่องเนี่ยเราต้องดูที่กระทบสงผัสเนี่ยหรือว่าตอนที่ถังนี้เราเคยสังเกตไหมพอเราจับคือมาต้องดูนะรู้สึกไงรูทสึกสมผัสแต่ตอนที่ลงไปเนี่ยไม่รู้อ่ากระทบกันไหน ไ, มไม่รู้อันนี้แต่รู้ว่าอยู่ที่มือเนีย่ยรู้ว่าตอนนี้รู้ความรู้สึกที่มือนี่แหละใช้ความรู้สึกที่ทําอะที่เรารู้ยตรงนี้แล้วก็ไปรู้ที่จิตใจะใช้ปัญญาอันนี้ ใช้ความรู้อันนี้ตงรู้ที่ใจดูที่ดูที่ใจดูให้ละเอียดเมื่อละเอียดอย่างนี้อเสมอเมื่อเราไปดูแบบผิวเผินะใช่เหรอมันห ย, ย, ยาบมันหยาละเอียด อ, นะาาอ่อนนะที่เป็นของแิปจริงๆละเอียดอ่อนและถ้าดูหยาบหยาไม่ได้ทําลุกหยาบหยาไม่มีมทางต้องสังเกตเลยเ น, นี่ยมือวางรู้รู้ได้นะ เลยนนั่นวางอย่างไรขายท้าบซ้อนทัาบอย่างไรเห็นผ่ามรู้สึกนะความรู้สึกสบายไม่สบายหรืออาการเป็นยังไงเนี่ยแขนเห็นท่าตรงนั่งอย่างไรนั่งตัวตรงหรือนั่งตัวงอสบายไม่สบายต้องเห็นด้วยนะเก่งหรือเปล่าตรวจสอบตรวจดูให้ละเอียดนะยต้องรู้เองเลยอย่างนี้ไม่จะเพ่งแต่รู้แปบเดียวไม่ได้นะต้องดู เนี่ยให้มันเห็นให้มันชัดเลยให้มันชัดนในก้าวผมนี่เลยสัมผัสอยู่ยังไงมีอะไรที่รัดที่คล้องรละหรือขาท้ามันซอดอยังไงกระทรบเห็นารามรู้สึก<ม>ไม่ใช่เรารู้สึก ฟ, ฟังเสียฟังเสียงดูสิเสียงเราเราตัวเสียงเงียบเสียงไม่เงียงเสียงอะไรกำลังมีเยอะแยะเลเนี่ยรอบรอบข้างมีแม่มีคนเดินแม่มีกุกกักอะไรแม่สังเกตดูสิได้ยินหมดเลยเนี่ยแล้วกสังเกตดูจิตใจนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเรื่อจิตมันสงบอย่างเงี้ยมันต้องใช้ความสงบอันนี้ดูมไม่ใช่อย่างที่คนไปนั่งสงบอย่างนั้นมันไม่ได้รู้แบบนี้ออื รถไเวิ่งจ่ยินนะไปยังเห็นความรู้สึกมีเสียงรถไฟดเวยนะเสียงมันเป็นกัางนีชักแคชักลรู้พอแล้วไม่ต้องไปค้นหาอะไรอีกธรรมดารู้ลมวัวไปหมดเลยใช่ไหม อันนี้ไม่มั่วนะรู้ที่ะทีลมันละเอียดมันไหายใจเข้าหายใจออกก็เห็นใช่ไหมเป็นความรู้สึกไหมเสียหายใจเข้ามีความรู้สึกยังไงหายใจออกมีความรู้สึกยังไงรู้ได้ทำไมเสียให้เสียให้เราดูให้เรารู้มีเะแยะหมดเลยนั่งงนี้ ตาเป็นะเย็นๆโล่งีลมนะสงบนะตามรู้สึกไม่ใช่ไปทำสงบนะไม่ต้องอทำนะดูเฉยๆให้เห็นตาผ่าไปจริงนี่แหละ ว, วิปัสสนาแต่ว่าปัญญาใช้ปัญญานี่ สัมผัสบางอย่างได้เห็นความรู้สึกไม่ใช่รู้รู้สึกเห็นข่ามรู้สึกธรรมดาเป็นเรารู้สึกแล้วเรารู้สึกสบายนั่นแหะมีตัวตนมีเราตอนนี้พอเราดูจริงๆก็พารู้สึกที่เรารู้สึกอะเราดูอีกทีว่าที่เรารู้สึกว่าสบายที่เราดูให้มันละเอียดอีกทีที่รู้สึกสบายมันมีรสชาติจริงๆมันเป็นอย่างไรละเอียดเข้าไปแล้เป็นชั้นๆเลย ละอียดกว่าสี่งคิดผมเห็นแล้วว่ามันมันอันนี้มัองยาพิษถ้าไม่เป็นไรไงต้องรู้ตัวคืออยากจะให้เข้าใจนี่แล้วไม่จะมันจะเข้าใจมันจะละเอียดขึ้นอะเข้าใจแล้วเข้าใจคุณหลวงพ่อเอียดขึ้นไหมเคยดูอย่างนี้ไหมยังยังไม่น่าผมยังไม่ละเอียดเท่านี้น่าผมเห็นจิตเขาคิดแต่ว่ายังไม่ละเอียดเท่านี้ยังไม่ละเอียดเท่าหลวงพ่อเอ่ยสังเกตอันนี้สิลองลองลองใช้อันเนี้ยลองดูอันนี้บ่อยๆสิพอดูทีไรจิตสงบทุกทีแล้ รู้สึกได้เท่านั้นพอแล้วรับรู้เท่าเองตัวเนี้มันจะรับรู้อย่างเดียวรู้ว่าเป็นยังไงพอล่ะไม่ต้องไปจินตนาการอะไรไปอีกถ้าจินตนาการมันเป็นความคิดแหละวเสียงอะไรเนะ เยอะแยะอยู่ใช่มใช่ใช่แล้วทุกทีเคยฟังนี้ไหมมันฟังรวมๆกันอนะอันนี้มันแยกนะมันไม่ปนเปกันนะอ่าผมผมเริ่มแยกได้แล้วเริ่มเริ่มที่จะละเอียไปแล้วอันนี้อะละเอียดไหมทําไรเฟังรวมๆน่าแล้วมันก็จะได้ยินบางอย่างละเอยดแต่มันไม่ชัดใจ่มันไม่ชัดเจนไม่ชัด<ร>ไม่ชัชต้องใช้อันนี้นะต้องใช้ปัญญานี้ดูบ่อยๆทีคนไม่นานเลย แต่ว่าเตือนตัวไม่เพิ่งอะไรเลยดูไม่เพิ่งไม่ง่วงเนี่ยเตือนเจ็บมันเตือนแต่ว่ามันไม่เคยอยู่นิสัยอยู่นิสัยลึกไปขนาดนี้ไม่ไม่เคยคิดว่ามันี้องมีหยาบเจ็บอีกนเนี่ยมันไม่เคยเป็นคําสอนนะถึงแม้เนหลวงพ่อเคยพูดแล้วชี้ให้ดูชี้ให้ดูไม่ใช่บอกให้ทํามันละเอียดแค่นี้ละเอียดกว่าที่ผมมองไว้เยอะเลยอ๋อแล้วก็สังเกตดูสิว่ามันต่างกันยังไง แล้วผลมันเป็นยังไงคุณต้องทำตอบเองนะใช่แล้วมันก็ต้องมันก็ต้องมันก็ต้องไม่ต้องไปตอบต้องมีต้องมีความรู้สึกทั่วตัวแบบรู้ทั่วถึงมันรู้ได้ตัวรู้เนี่ยมันรู้อะไรก็ได้ที่เดียวเฉพาที่เชื่อเดียฮะถ้าเรารู้อย่าเรารู้อยู่อ่ะมีรู้อยู่อ่ะงนี้เรรู้แหละก็ท่านี้ก็พอแล้วเนี่ย ออย่างเนี้ยรู้สึกอย่างเนี้ยรู้สึกอย่างนี้พอแล้วเสี่ยวจะไปไปทำดูนะเพราะรู้รู้รู้แล้วว่าแล้วต้องรู้ต้องลึกต้องละเอียดคุณนีต้องต้องแยกเี่ยเดี๋ยววางไงเดี๋ยวนี้เห็นผ่านรู้สึกะรู้กายกายก็ยังเห็นอยู่เห็นสบายอยู่ฮะปองเบาไหมสบาม่จิตมันไม่อัานไม่กั้นรู้ได้อันเนี้ย ไม่อันไม่กั้นไม่พุคพันไม่มีปางพุคพันเกาะเกียวโองเบาอิสระไม่มีอะไรอ่ะเนี่ยพ้นทุกพ<ม>้นภาระดูสิ ม, มีทุกไม่มีภาระเป็นภาระไม่ทางจิตมีภาระอะไรนะทุกหรือภาระอันเดียวกันน่ะไม่มีภาระทางจิตจิตมันไม่มีภาระอะไรมันว่ า, างจะอะไร มันไม่ต้องทําอะไรเราพอรู้จักนล้วเนี้ไปอยู่กับการกัางานอยู่อะไรเราก็อย่าลืมอันนี้มันก็เติอนตัวมันแต่ว่าใหม่ๆมันอาจจะไม่ไวเท่าไหร่ก็ทํำไปเรื่อยๆเราก็มันก็จะคล่องแคล่วว่องไวตอนนี้อางทีเราไปทําอะไรไวๆไม่ได้ให้เราดูอะไร ก, ก็องจคยจับนี้ให้รู้ป่ะตอเดี๋ยวนี้ให้รู้อ้าวตาดูวะไรเห็นอยู่มันสวยมากสังเกตไหมพอเดี๋ยวนี้พอเห็นตารู้สึกพาไปดูอะไรลืมแล้วไม่ได้ดูแล้วอันนี้หลง อย่างนี้นหลงอล้แต่บานทีก็รู้ตัวแล้วรู้สึกอ่ะแต่มันไม่ได้เห็นความรู้สึกนี่มันจะโลมันจะชัดเจ น, นเรียกคำว่าสว่างเรียกคำว่าแสงสว่างเรี่ยกที่พี่เจ้าว่าแสงสว่าง <c oughs> เกิดขึ้นแลกใจเราปัญญาเกิดขึ้นแค่เรานี่ธรรมจักรนะฮะโลโ ก, ก้อุตสาหะที่เลยนี่แห <c oughs> ละ แยกยืนสีแยกยืนละเอียดมากเราไปอ่านบ่อยๆแล้วเราก็ดูตรงนี้ไปเรื่อยๆเราก็จะเข้าใจมันจะตรงกันลนล้วนะธรรมะหยาบชัดที่สุดเลยชัดเข้าแปลวมาชัดใช่ไหมมาเพาะมาเราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาแต่ก่อนว่าทุกข์คือย่นี้อย่างนี้เหตุให้เกิดทุกข์คืออย่างนี้อย่างนี้ ความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เป็นอย่างนี้รู้ที่จิตใจหรครับไม่ใครสอนสอนได้ที่ไหนใครจะสอนได้อันนี้ต้องรู้สึ่ตัวเองปฏิบัตตังนะต้องรู้เฉพาะตัวสองหลของผูรู้เนี่เราคุยกับหลวงพ่อบ่อยๆก็ต้องเนี่ยใครเตือนใครอะไรอย่างนี้น มันไม่ใช่ไปทําตามใครนะพี่หนุ่ีให้ดูนี่ น, นนะฟังให้ดีๆนะ mm hmm. กับพี่ตาเขาดูได้ mm hmm. มาเห็นด้านข้างใน mm hmm. เนองในลำคอเป็นไงคอแห้งแล้วคอไม่แห้งอื mm hmm. ชุ่มชื้นแล้วไม่ชุ่มชื้นเริ่มเริ่มแต่ไม่ใช่เป็นไปเพื่อจะเอาหรือ mm hmm. เพื่อไม่เอา ให้เห็นความจริงพออล้เมื่อเรารู้ความจริงอย่างนี้ทีหลังเราอ๋อความจริงอย่างนี้อะไรอ่ะที่เราก็จะเลือกได้เข้ามันเนี่ยเหมือนเราเรียกว่าวิจัยกันเดียวอันนี้เรียกว่าเป็นพอดชงเจ็ดนั่นนะอ๋อนี่ผมชอบมากคุณพ่อเนี่ย<ม>เคำว่าสติสามพอดชงอันนี้เห็นไหมสติธรรมวิจญาณเนี่ยมีสติรู้สึกตัวแล้วต้องวิจัยอันนี้ก็มายถึงที่เราดูสังเกตอันเนี้คือวิจัยมีจริตผมมาทางพอดชงเลย <ผ>คือนี่ <จะ S 2> เป็นองค์งแห่งการรู <จะ S 2> ้<ด>ถ่าข้อนี้มันไม่ผ่านแล้วไม่จะเข้าองม์มรรคไม่ได้แล้วมันจะไล่ไปเนี่ยนะสตีประทานสีส่สมาะประทานสีส่สบาทสี่สีสส่ห้าพระ5้า พ, พชงเจ็ดเนี่ยพอที่ปากขียถามสามสิบเจ็ดนี่พระเจ้าจะผ่านอันนี้เหมือนทุกคนน่ะไม่ใหญ่พอจ้าแต่ผมอ่านพขาชงแลวเข้าใจเลยว่า แล้วมันเกิดมันเกิดมันจะเกิดพร้อมกันเขาไมีเราไมีเราจะเลือกเฟซนใช่ไหมหัยเงี้ยที่ว่าชี้ใหดูแต่เนี้ยรู้สึกสิเป็นสบายไม่สบายแล้วมันเป็นไงทีหลังรู้เราก็อ๋อเพิ่งเพิ่งเห็นว่าหลวงพ่อชี้ผมเห็นให้มองละเอียดนี่แตแล้วขอเชื่อผมละเอียดแล้วจริงไม่ใช่มันเรื่องเกิดนี้อีกมันเป็นความคิดอ่ะมันนี่ไม่ใช่ความคิดเราใช้ความรู้มันรู้เราดมความรู้รวมกันให้มันเป็นหนึ่งเดียวดูเหมือนกับไฟฉายใช่ไหม มันจะเป็นล้ำไปเลยฮนะแล้วมันจะอยั่งไปอันนี้เราไปดูดจากดังผิวเผินเนี่ยมันจะมันจะกระจายกระจายอ่ะจิตมันไม่รวมตัวมันจะเห็นไม่ชัดถ้าจิตมารวมตัวมันจะเห็นชัดก็มายถึงเ น, นี่ยถ้าเราดูอย่างนี้ทีละก็ดูจิตมันจะรวมตัวมผมรู้แต่รู้ยังไม่ทั่วยังไม่ลึก แค่รู้แต่ว่ายังไม่ได้ทำแะววันนี้ได้สัมผัสได้ยินได้อมอย่างนี้แล้วคัคือคือตอนนั้นก็ดีใจนะที่ เ, เราไปเห็นความคิดนะคโอ้ต่นี่ลึกกว่าอีกวะเป็นระดับระดับมันลึกลงไปอีกนะล่า<ะ>มันลึกลงไปอีกอ่ะนะเหมือนกับน้านา้ำลึกที่ผิวๆน้ำยังไงยเย็นร้อนยางไงถ้าถูกแดดเห็นความรู้สึกไง ไอนี้เราคิดก็รู้เราไม่ก็ไปอย่างในน้ำอย่างนั้นก็ต้องเข้าใจเต้ยมันก็จะร้อนนี่ไหมยิ่งลึกยิ่งเย็นใช่ใช่เข้าใจเลยยิ่งสุขขมยิ่งตาหนี้ขึ้นตอนนี้มันจะยังไม่ลงมันจะแค่หิวเผินโอ้เย็นร้อนก็รู้แค่นั้นะป๊บเดียวอย่าไได้ยังให้มันให้มันลึกกว่าบ้ให้มันถึงให้มันสุดเลยอันนี้อันนี้สองขั้นตอนี้เราดูไม่สุดมันไม่ตลอดมัไม่ตลอดตอนนี้ตลอด ผมได้ละได้ได้ได้ความรู้สึกใหม่ละที่ต้องเปล่งรู้สึกหมรู้สึกเดิมมันไม่ันไม่รู้สึกอ่าเนี่ยเนี่เออมันไม่ลอีแล้วก็อะตอบตัวเองผิดถูกอะไรอันไหนเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์กต้องรู้เองไม่เชิดใช่ใช่ใจะตอบตัวเองนะใช่ไหมได้คำตอบเลยแล้วดูไปเรื่อยๆมันจะค่อยเข้าใจขึ้นดีแล้วครับทีนี้ก็เนี่ยคาว่าปัทภิชาณ นะนะได้การบ้านไปทำนะดีนะพ่อมันสงัดอ่ะใช่ไหมพอมารู้ตรงนี้มันจะสงัดเลยใช่ใชที่เรู้ ม, มันยังยังตื้นอยู่อันนั้นมันยังอยู่ในความคิดมันยังความเคิดยังเกีนอตนาการเนี แล้วมันก็เป็นปิติมันก็เป็นอิมอกอิ ม, อมใจได้แต่ว่ามันยังปรงแต่งมันเป็นความปรงแต่งรู้ยังเป็นความปรงแต่งอยู่แต่นี้ต้องมี่าใช้จากความทิดปรุงแต่งกระสัดจะทำถึงจะปรากกดถึงจะเห็นของจริงอืมอันนี้เรายัางมีความจินตนาการหรือนั่นก็ออยังแยกไม่ออกที่ว่าเออลรามันต้องเห็นต้องดูต้องไม่มีเราดูเฉยเฉยเห็นเฉยเฉยต้องไม่มีจินตนาการไม่เนี คือมันยิงหยาคือมันเห็นแค่ ค, ความคิดเกิดดับไปเฉยถูกต้องแล้วเนี่เนี่ยแป่ว่ายังยังไม่ได้ต้องไม่เอาอะไรหมดเลยคําพูดอะไรไม่ต้องเอาหมดเลยอย่าม า, ามอายาหมาหนาน่เห็นอันนี้ไม่ต้องมีอ่ะอย่าไปใช้คําโพูดอย่าใครได้ยินได้ฟังน้จอมวางให้หมดมไม่ต้องไปเชื่อใครไม่ต้องไปดูของเราอย่างเดียวศึกษาที่ตัวเราอย่างเดียวว่ามันเป็นไงมันเป็นไปไงแค่เนี้ยดูไปเรื่อย อย่างที <Wasn 't S 1> ่มาเดี๋ยวพอเชี่ยให้เห็นนะพอให้เข้าใจเงี้ยแล้วดูไปเรื่อยๆตอนนี้ยังไม่ชัดก็ดูไปเรื่อยๆสังเกตดูซิจะให้เป็นไปอย่างสบายๆนะคครรัับบอย่าไม่ใช่ว่าเอไม่เห็นพยายามอย่าไ่พยายามนะได้แค่ไหนก็แค่นั้นเออพอถ้าเห็นว่าเออมันดูไปนานๆแล้วมันจะเพ่งมันจะจ้องมันจะเกิดอึดอขึ้นมาก็ต้องไม่เอาเลยก็ดูนู่นดูนี่ดูนี่อะไรเงี้ยมสบายอย่าไปนั่งดูจ้องดูนานๆไม่เอานะครับ ระหวังหน้านี้ต้องเตือนไว้ก่อนนะครับได้ครับแล้วมาติดอารมณ์มันะมันจะจมลงไปแล้วไหนี้มันหลงเลยครับดีครับหลงทางแล้วเสร็จเลยอ่อนยับอยู่แต่มันสบายครับนั่นเนี่ยอะไรสบายไม่มีอะไรเราเห็นทางรู้สึกวสบายแล้วนี้มันมันต้องละเอียดกันนี้อีกละเอียดกว่านี้ เลยดูคืออาศัยเขาค่อยดูไปเรื่อยมันจะค่อยละเอียดขึ้มาดทุกทางแล้วก็ดูแลเห็นแล้วละว่ามันมันมันมควาเคยไปดำน้ํำไหยเคยดำน้ำไหมเคยฮะแต่ไม่ใช่ดำน้ําแบบขยับเครื่องอะไรฮะเป็นคนที่อยู่คลิมคลองอดำมาดำตัวดัำตัวเปล่าๆเคยดำเข้าไปแล้วมันเคยจะลอยแม่ตัวลอยฮะหน้าเน่ยเห็นไหมหน้าเน่ะให้เรารู้สึกอย่างนั้นน่ะมันจิตใจที่ไอ้ไอ้ปัญญาที่เราดูอ่ะมันจะลอยด้วยมันไม่มันไม่ลงอ่ะนั่นคำาต้องดิ่ง ยังเขาเรียกว่ายังไปมันไม่ยังมันลอยก็คืออยู่ที่เราความรู้สึกช้าเรารู้สึกมันก็จะมันก็จะรวมมันจะมีพลังมันจะรวมพลังอันนั้นมันไม่ได้รวมอ่ะมันก็เลยดูเลยมันก็ไม่มันก็จะไม่ละเอียดมันก็เลยอยากมันไม่รวมจีตมันไม่รวมเข้าใจแล้ว สสเราตั้งใจ<ส>เหมือนเรา<ส>ตั้งใจดำ<ส> น, น, นะครับเราเร<ง>าถ้าเราดำแบบผิวเผินมันจะพรลงแล้วใครข้ามมันจะรออยู่เรื่อยเลยอืเ<ม>นี่ยมาถึงว่าปฏิบัติข้ม า, ามาปฏิบัติเนี่ยแต่หลั ง, งยังไม่เห็นนี่โอ้ตรงนี้เองก่อนเราเคยดนำนะโอ้ยจิตก็เหมือนที่เราเห็นจิต ด, ดูจิตของเราเ น, นี่ยนี่นะเพราะตอนนั้นเราไม่ได้ตั้งใจมันไม่ตั้งใจอ่ะ มันต้องไม่ตั้งใจใช่มันต้องตั้งใจแต่ตั้งใจแบบไม่ตั้งใจตั้งใจว่ากาลังทําอะไรรู้วอะกำลังแล้วว่ามันทำอะไรแล้วก็ตั้งใจที่ทําอะไรแต่นี้มันไม่ได้ตั้งใจทำอะทาสิ่งนั้นจะไม่มีความตั้งใจทําแบบไม่ได้ตั้งใจครับไม่ตั้งใจทำแบบลอยๆมันก็ลอยใช่ใช่แต่ไม่ได้ตั้งใจแบบตั้งใจเนี่ยคำหมักคำเม่นอะไรอย่างโหอย่างนี้มันเครียดนะ มันกัตอนที่ฮะหือถ้าตั้งใจให้มันถ้าตั้งใจจะให้มันลอยจะจมตอนที่ว่ายน้ำนะถ้าตั้งใจให้มันลอยจะจมแต่ถ้าปล่อยแล้วมันจะลอยเองตัวมันจะลอยเองตัวมันจะลอยขึ้นมาช่วยอบายคือวางตั้งใจเนี่ยมันพลังมันจะรวมกันมันทำอะไรมันจะมีผลมากต้องต้องต้องเพิ่มเวลา สมัครสมัครเขเลยสมัครสมัครเขมากพระเจ้ถึงบอกใ ห, ให้ให้ให้ให้ผิดวิเว้แล้วก็อยู่กับตัวเองบ่อ ย, อยๆเรายังไม่ถึงเวลานะเราไม่มีเวลานั้ะอย่าเพิ่งไปทําอย่างนั้นทันทีไปอยู่<ม>กับบ้านอยู่อะไรนะเราศึกษาได้ทุกขณะเลยอย่าไปอย่าไปอย่าไปมุ่งอะไรนะแตเหมือนกับมันมันอยากจะต้องก็เนี่ยอย่าไปอยากนะดูดูเฉยเฉยไมนะมีหลายคน ไม่ต้องคิดว่าต้องมาอยู่นนะวัดเมีคนตอบหลวงพ่อหลายคนนะบางคนก็บอกโอ้เนี่ยอยากจะบวชออยากจะลาออกจากงานก็เลยห้ามบอกไม่ต้องลาออกอยู่อย่างนั้นน่ะแล้วก็ดูอย่างนี้ยไม่นานเลยเขาก็เข้าใจขึ้นโอ้ mm hmm. เป็นความคิดเท่ททงนั้นแหละครับแล้วจริงเหรอหลวงพมอ มาเปรียวิเวกแล้วมาอยู่วัดอางทีแต่ท า, าไม่ถูกมันก็ ม, มีทางแล้วใช่แนละ้วม่อยู่ที่รู้จักนะครัอยู่ที่ไหนก็ได้อืมครับ <c oughs> จริงมันไม่ได้จํากัดตายตัวอย่างนั้นนะแต่หมายถึงว่าถ้าเรารู้จักจริงๆแล้วนั่นเอามีเวลาเราเปลี่ตัวเพะะื่อจะฟิตอันนี้เพื่อจะมาตอกย้ําอันนี้่ะครับถ้าเราไม่รู้แล้วก็เปรียวิเวกยังไงแล้ว แล้วเราเพื่อจะไปย่างดูอะไรไม่ก็ไม่รู้อย่างนี้คือเราต้องได้รู้อะไรหน่อยแล้วเราพยายามที่จะมาเจริญอันนั้น <c oughs> ก็ต้องหาที่สงบสงับใช่รับอย่าเพิ่งเป็นการศึกษาไปอย่าไปมุ่งพยายามให้มันเร็วๆอะไรมันไม่ได้นะ <c oughs> อย่าไปมุ่งว่า <c oughs> เร็วหรือช้า <c oughs> <c oughs> ศึกษาดูแล้วกันไม่ต้องไปเอาอะไรว่าหวังหลุดพ้นหรือไม่หลุดพ้นไม่ต้องไปสนใจนเลยดูว่ามันเป็นยังไงชีวิตเนี่ยจิตใจความรู้สึกวนันวันมันเป็นไปยังไงเดี๋ยวนี้มันเป็นยังไงดูไปเรื่อ ย, ยอย่ายิ่งเข้าใจได้ง่ายครับจะไปหวงังความหลุดพ้นหวงังความพ้นทุกข์แล้เนี่ยทุนนี้นจะปิดบังไว้หมดเลยไม่ต้องมีไม่ต้องมีความปรารถนาอะไรไม่ต้องไปไปหวังอะไรทั้งนั้นครับเป็นการศึกษา ศึาดูไม่รู้ก็ดูไม่เรื่อ้ศึาไปรู้เรื่อยครับอยหรือจะเข้าใจเพิ่มเข้าใจคำว่าเราจะได้คําตอบครับดีครับพี่ไม่เสียเที่อวมาวันนี้ได้ได้เพิ่มไปเยอะแล้วเนี่ยต้องมาครั้งหนึ่งันก็ได้เพิ่มเยอะเลยมันก็ค่อยๆนั่งตายใช่ไนะใช่ใช่แหายใจเข้าออกไปง่าย พอามาพอดีไหมเป็นไงรู้สึกพอเหมาพอดีครับความพอดีอันเนี้ยเราก็เห็นความพอดีแล้วก็อยู่กับความพอดีตลอดไปเลยเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ความพอดีไม่ใช่มีเงินร้อยล้านพันล้านถ้าไม่รู้จักนี้มันไม่มีทางครับไม่มีทางพอดีได้หรอกให้อยู่อย่างนี้มีน้อยก็พอดีมีมากก็พอดีไม่มีก็พอดีคครรัับบอันนี้เนื้หาที่ในหลวงถนว่าเศรษฐกิจพอเพียงถ้าไม่รู้อย่างเนี้ทําไม่ได้อ่ พอใ้ในสิ่งที่ต้องมีอยู่เป็นอยู่มันจะพอมันจะมีแล้วอ่ามีสันโดษเพราะเนี่ยเราก็ต้องทำนเนี้ยเราก็ต้องรู้จักโอ้เดีนี้ก็พอดีหายใจเข้าออกก็พอดีงานหนักงานเบาก็พอดียากก็พอดีง่ายก็พอดีใช่ครับไม่เกี่ยไม่เลือกงานง่ายก็ได้ยากก็ได้เย็นก็ได้ร้อนก็ได้ พอใจกับสิ่งนั้นครับจะมันเคยจะขัดแย้งเราก็ต้องปล่อยให้มันพอใจเนี่ยคําว่าฉันทะอิทธิบาทเสียนีนทางนี้สําคัญไม่ว่าบาปหรบาปมันต้องใช้อันนี้ครอิทธิบาทเสียนะฉันทะวิริยะมีฉันทะมีความพอใจมันก็จะมีวิริยะครับใช่ะอ่าวิริยะอมีจิตตะอมีจิตตะก็จะเอาใจใส่มีการเอาใจใส่วิมังสา ก็จะตรวจสอบอีกทีพิจารณาอยู่ที่โอ้ดีที่ทำเนี่ยมันมีมันมีผลเป็นยังไงเราทําเหตุยังไงมันมีผลยังไงโอ้ยอย่างนี่างนี้ใช่โอ้โหมันยิ่งเพิ่มเครับดีครับแต่นี่มันจะขั้นขั้นจะไล่ครับไล่ครับคุณครับโอเคครับสี่ห้าพละห้าอะไรอย่างนี้ยตับอันนี้มันรู้ตัวขึ้นใช่ไหมครับอ่าตาโหจะหมกเด้งกายใจมันดูอะไรก็เป็นใหญ่ มีพละมีกําลังอไม่ตกเป็นท่าของอะไรไม่หลงหลายไปอะไรง่ายๆไม่มัวมาใครจะมาจุงหูจุงจมูกไม่มีใครจะมาจุงได้แล้วอ่อแล้วก็ถูกอารมณ์ต่างๆมาจุงหูจุงจมูกด้วยตาพละเลยครับครเนี่ยขาวพระอินซีห้าพละห้าอินซีห้ากับตาหูจมูกด้งกายชใจนะพละก็มายถึงมันมีกําลัง่ะถ้าอย่างนี่เราจะดูอะไรมันก็ดูแบบรู้ตดูแบบอืเข้าใจแล้ว ไม่หลงไหลครัเติมเลือเติมตัวมันไม่ตกเป็นทา่าเราจะเห็นเลยว่าก่อเราไม่รู้อย่างนี้ไงครับมันไม่รู้ตัวมันไม่รู้อันนี้มันไม่เห็ <c oughs> นอ่ะใช่ใชดีครับเนี่ยต้องมีเวลาแล้ ว, <c oughs> ลวก็มาคุยอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกจิตสู่จิตเนาะใช่ครับใช่หลวงพ่อจะชอบอย่างเนี้ยพูดอย่างเนี้ยตัวตัดต่วนเนี้ยจะชัดอะไรอย่างเยอะเอะคุยเยอะก็ได้ระดับเนี่ยอันนี้มัน แต่จะให้ละเอียดอย่างนี้มันไม่ได้หลายคนใช่ใช่แต่อย่างนี้อยงเงี้ยผมก็โสดดีครถ้ามาหลายคนเนี่ยจะไม่เหมือนกันเลยใช่ใช่เขาต่างคนต่างมีจิตเอาเดี๋ยวคนนั้นเดี๋ยวจะถามเนี่เดี๋ยวคนนี้จะถามเนีมันก็เป๊ะหมดจตใจมันจะเป๊หมดอะแล้วก็คิดอะเอาละเดี๋ยวก็คิดไปเดี๋ยวก็ปูองจางไปแล้วฮะ แต่เราคิว่าเรารู้ตัวเองไม่ใช่แต่อีกคืนเนี่ยเราก็พิบตาหรือก็พิบหรือพูดเนี่ยรู้ตัวตาพิบรู้ตัวมือขยับรู้ตัวมันยังไม่พอครับไม่ใช่ไม่พอมันต้องรู้ว่าโค้ดถึงแล้วมันเห็นหมดทั้งนอกละไหนรู้นอกเ้่านีเลยมีขั้นตอนเลยเริ่มสัมผัสได้แไงอย่างเงี้ยเดี๋ยวก่อนนี้เราก็เออเรารู้ตัวมันใกล้กึนเลยล่ะใกล้ครับอีกนะใกล้เข้าไปตั้งเต้นขึ้นละใกล้เข้าไปแมวรู้สึกว่ามันลึกเลืเกินโอ้ เม่ไหไม่จะถึงอย่างนี้จริงๆมารู้นทางมารู้ถึงความรู้สึกอันนี้เราเห็นความรู้สึกโอ้ความรู้สึกอนนี้อันนี้เนี่ยเหมือนอย่างนี้รที่หลวงพ่อจับอยู่เียมันเห็นได้ไหม แต่รู้สึกได้ไหมว่ารู้สึกยังไงไม่รู้อันนี้ผมไม่ได้ทําเองนี่แหละนี่แหละนี่แหละเข้าถึงตัวนี้มันไม่ใช่คิดมันไม่ใช่เรื่อคิดใช่ใช่มันรู้สึกนี่ของจริงเห็นไหมนี่เราใช่ำตอนนี้เราดูกายดูใจก็มาอันนี้นี่เปรียบเทียบแต่เปรียบเทียบบางคนอย่างนี้คนยังไม่เข้าใจเลยภายนอกเนี่ยใครได้ดูที่มือที่สัมผัสรู้สึกกันเย็นร้อนอ่อนแข็งใช่ มือ น, นี้เท้าอยู่กันฮะนี่จับอยู่นี่เท้าอยู่เรียนรู้ขยับนี่ขยับตัว ข, ข, ขยับแขนกะเห็นได้รู้ได้เนี่ยเนี่ยเห็นฝาู้สึกอย่างนี้ยครับถ้าธรรมดาเราถามันรู้เป็นการแต่ไม่มันไม่มันไม่ทั่วพร้อมไม่ละเอียดอมันไม่ทั่วพร้อมต่างกันนะอ่มันไม่ทั่วพร้อมอวันนี้พ่อมาชี้ให้มันต้องทั่วพร้อมอทั่วถึงทั่วถึงทั่วถึงมันรู้หม มันแหลมคมใช่ด้านใช่เดี๋ยวครังนี้ถ้าเราจิตใจเราดีด้านเราดูบ่อยๆแลวเนี่ยรู้สึกโอ้โหปัญญาเราจะแหลมคมมันอืถลูบบองเข้าใจแล้วใช่แล้วมันจะเห็นไงมันจะชัดไปหมดเลยแต่บางครั้งมันทู่ทื่อมันดูอะไรมันทู่ทู่ปัญญามันทู่ทู่รู้ความรู้มันทู่ทู่ เนี่ยเขาว่าแทงทะลุอะไรมันแทงเลยก็เป็นทะลุทะลุทะลุหรือเปียบเมี่ยมมีดมีดทื่อๆฟันอะไรเงี้ยหันอะไรก็ไม่เข้านะอันนี้แหลมคือต้องี้ทาแหลมคมใช่เปียบเทียดนะสติมันต้องคมเหมือนกันสติมันตอนนี้ก็เดีตัวรู้หน่อมเราต้องสังเกตตัวนี้เรารู้แบบคิวเขินเรารู้แบบหยอบหยา ความรู้ของเราเป็นยังไงอันนั้นเรารู้อะไรดูที่ที่เรารู้อะไรรู้อย่างไรเท่นั้นละเอียดไหมตาละเอียดไหมก็เห็นได้ทันชีคุณมีตัญญาครับเนี่ยพูดอย่างนี้ก็เห็นได้อยู่แล้วเราสังเกตที่เนี่ยเราก็จะเห็นอนดีตที่เราผ่านผ่านมาเพราะว่าเรารเราเห<ย> <he S 2> ็นไม่ละเอียดเ ร, รเราดูแบบผิวเผินรู้บันกันรู้แบบผิวเผินต้องอย่างนี้ยถึงรู้อย่างเนี้ยมันไม่ชัดใช่ใช่ มันจะกินจะคิดว่าเรารู้แล้วจริงๆไม่ใช่มันเอียดกว่านี้นี่ยกะชี้เนี่ยเลวหรือชาอยู่ตรงนี้เขาว่ามีหนุยเนี่ยคือโยนิโสมัสิกาใช่ไหมทอนต้องมีอุบายหรือทําอุบายไว้ในใจกับอุบายก็ต้องรูฟูดไม่ถูกนะสัมพัทธ์สาเนี่ยนี่น่าหลับน่าหลับคนที่เขาถึง ไปเรียนงพิ่งยักยอาถึงไม่ได้เพราะมันไม่รู้สิมันมันมันมันไม่ถูกมันไม่ตรงอะมันไม่ถูกมันแค่ไปรู้แค่ใช่สือฉันจะไปเพียงแค่ไหนพยายามแค่ไหนก็ไม่ได้มันก็งมีแต่เครียดใช่ใช่ใช่ใช่โอเคครับดีครับพ่อครัอันนี้มันมีแต่ได้มันจะไม่มีเครียดเลยมันจะเป็นไปอย่างสบายสบายด้วยนะเราจะบอกว่าทำไต้องปฏิบัติเยอะต้องอ่านเยอะ มันต้องรู้เยอะๆเนี่ยครับว่าปฏิบัติต้องฟังให้ดีๆส่มากเลยจะเข้าใจครับว่ า, าปฏิบัติแล้วต้องทำแหละมีความรู้สึกต้องทำในนําปิดบางอ่ะอืวแต่ตอนนี้เราดูอ่ะเราศึกษาๆๆเพืจะรู้ว่าจริงๆเป็นไงก็ไม่อ่าไปมุ่งหวังว่าจะเอาอะไรหรือจะให้มันเป็นอะไรให้เห็นความจริงแล้วเราจะเข้าใจหมดเลยเข้ใจครับต้องเลยครับเข้าใจแล้วเรื่อมันจะไม่ตึงอ่ะอ้วนะ อนี้พอเราตั้งใจอยากจะรู้อะไรอยากให้เป็นอะไรมันอันนี้เนี่ยทงได้รู้สึกว่าเราต้องปฏิบัติเนี่ยเอาแหละนะมันเป็นภาระอะใช่ใช่มันจะหนักขึ้นมาทันทีเหรอทำเล่นๆเข้าใจแล้วแต่เล่นแบบจริงเล่นแบบจริงใช่ไหมใช่ใช่ไม่ใช่เล่นเล่นแบบผิวเผยเงยไปก็รู้มาไม่ได้มันไม่ใชคําพูดเหรอ นะครับอันนี้แหละเขาหนึงว่ากัวเครียดเยคนใหม่ๆเออทํำเล่นๆทาให้สนุกเออนั่งงสบายเลยผมพ่อจะไม่แนะนารับรองคนจะไม่ให้ใครเครหรอใช่ค่ะใช่นะนี่สำคัญนะพ่อนี่แหละไหนกเออไหนก็นั่งไปไงสบายไหมไหนลงเดินนี่เดินขับไปขับมาไปไงสบายแข้งสบายขาไหมแต่นี่พอให้เขารู้ตัวอย่างเนี้เขารู้รู้อย่างนี้จิตมันก็มันก็จะ ควคิดมันก็จะไม่คิดออกนอกตัวมันก็จะเป็นสมาธิขึ้นมันจะเบาสบายใช่นะพอเบาสบายแล้วก็จะเกิดปัญญาขึ้นก็จะรู้ตัวขึ้นว่าโอ้ขอเราไม่ได้รู้อย่างนี้เห็นไหมใช่อะไรก็จะตามมาใช่มใช่ใช่แล้วก็จะเป็นขั้นตอนอะไรอย่างเงี้ยแต่วตอนนี้การได้ยินได้ฟังก็ต้องอาศัยอ่ะมันก็ยิ่งเข้าใจเลยขึ้นเนี่ยผมขอผ่าไม่เยอะๆพอผ่องพ่อเขจะเข้าใจขึ้นบางคนไม่ผ่านมาชี้ทีเขาจะไม่เห็นไม่ได้เลย ถ้าเกิดคนยังไม่เริ่มไม่มีพื้นฐานมาเลยไม่ได้ครับคุณครับรับเขามีพื้นฐานจะรู้ไม่รู้ไม่เป็นไรขาไม่มีพื้นฐานมาบ้างแต่จะเห็นแต่ไม่รู้จักเองแต่พอมาชี้ก็จะเข้าใจไงเนี่ยพอชี้เนี่าก็จะเห็นว่าโอ้ใช่ครับใช่มีมีจุดที่บกพ่องตรงไหนใช่ไหมใช่แล้วเราก็จะไปเสริมเราก็จะไปเพิ่มอีกทุกท่านนะโชคดีมากเกี่ยวพ่อสองวันนี้ปัญญา พก็ต้องอาศัยคนที่เขาเคยเดินทางมาแล้วที่ขี่ทางนะครับ <c oughs> <c oughs> มันพูดไม่ถูกอ่ะมันเป็นขรวนีคือโอ้ละเอียดอ่อนมากบางทีมันพูดด้วยพูดคำพูดแล้วมันไม่เข้าใจใช่ตอนนี้ก็มไม่เข้าใจคําพูดนะครามาธรรมะเนี่ยมันสุขขมคําเพละข้อละเอียดอ่อน เือเป็นของทิพย์นี่เอกมากถ้าใครไม่รู้นี่โคดไม่ถูกแล้วมีคำพคดแต่ใช้คำพคดไม่ถูกลใช่ ถ, ใชถ้าพคดพแล้วคนง ง, งันหมดใช่ชใช่แค่นะอันนี้พอรู้บ้างเดีวเออเดี๋ยวคุยได้